เจ้าด้วนนำเลาะลัดไปตามป่าเฟินและต้นปรงตลอดจนพันไม้ที่ขึ้นในบริเวณที่ชุ่มชื้นระยะหนึ่งพอป่าเบื้องหน้าเริ่มจะเป็นดงดิบเขียวมืดมันก็วกขึ้นขวามือค่อยๆตายตามแก่งแง่หินธรรมชาติของขุนเขาน้ำตกสามเจดีขึ้นไปอย่างช้าๆอนุชาตาเป็นประกายในขณะที่โบกมือกับคณะทั้งหมด เป็นความหมายให้ตามมันไปทุกระยะตัวเขาเองนำอยู่เบื้องหน้าโดยมีหนานอินไตาตามปิดท้ายอยู่กลางถูกต้องกับเส้นทางที่เธอเคยเดินมาหรือ ก, ก่อนหรือเปล่าเนี่ยพี่ชายใหญ่ร้องถามมาเบาๆระหว่างแหวกซุ้มไม้ที่เกะ ก, กะอยู่เหนือสีรษะตามขึ้นไปใช่พี่ใหญ่ชักจะเข้าเค้าแล้วนะ่ะนี่มันกำลังนำเราไต่อ้อมขึ้นทางขวามือ แต่ก็คงจะหาทางที่สะดวกสําหรับสัตว์ใหญ่อย่างมันจะไต่ขึ้นไปได้ีตอนที่ผมมากระลุงอินในครั้งนั้นเราไต่ขึ้นไปด้วยเส้นทางลิงคือพยายามเกาะห้อยโขนกันไปตามแง่หินสูงชันบางทีเจ้าด้วนจะมีเส้นทางที่ดีกว่าผมและลุงอินในครั้งนั้นมันอาจจะอ้อมหน่อยแต่ก็จะสะดวกในการเดินมากกว่าล่ะครับด้วนพาพวกเราไปดีๆนะแล้วก็ระวังความปลอดภัยของตัวเองด้วยละ่ะ ดารินร้องบอกมาเสียงใสบอกช้างนำทางของหล่อนขึ้นไปราชสกุลสาวขณะนี้ไต่ทางขั้นอยู่ในระหว่างพี่ชายกลางและพี่ชายใหญ่อาการของหล่อนคล่องแคล่วปราดเปรียวยิ่งเต็มไปด้วยความมุกมานะและเพียบพร้อมไปด้วยพลังกายพลังใจเต็มเปี่ยมเสียงเชีดฐาผู้ไต่ตามหลังมาห่างประมาณสามวารองเตือนเบาๆมาว่าก็ระวังตัวเองเถอะน้อย ไม่ต้องไปเตือนเจ้าด้วนมันหรอกมันชำนาญทางแล้วก็รู้ตัวเองดีว่าควรจะเลือกเดินทางไหนถึงจะปลอดภัยสำหรับตัวมันเองทางมันลื่นมากนะตะไคร้น้ำทั้งนั้นเลยก็ถ้าน้อยเสียหลักถลายลื่นลงมาก็คงจะร่วงลงไปประทัพี่ใหญ่กับช้ยันนั่นแหละไงๆก็ช่วยตะครุบตัวน้อยไว้ด้วยก็แล้วกันเอา้ามันก็จะเจ็บนะสิช ย, ยันว่าไม่เป็นไรห ร, รอก ฉันเจ็บมามากแล้วเจ็บเพราะการถลายลื่นแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกสำคัญก็อย่าปล่อยฉันร่วงลงไปในหิวเท่านั้นแหละหลอนตอบมาขณะที่สไปร์ไรเฟิลนไว้เฉียงหลังมือสวมถุงหนังเหนียวยึดตามแก่งแง่หินหรือ ก, กิ่งไม้ตามหลังอนุชาขึ้นมาอย่างว่องไวพร้อมทั้งร้องเร่งพี่ชายกลางพี่กลางก็กระชั้นติดหลังด้วนไปหน่อยสิคะอย่าทิ้งระยะห่างนะ ไม่งั้นพี่กลางก็ถอยไปรวมกลุ่มกับพี่ใหญ่ชัยยันก็ได้เดี๋ยวน้อยจะตามหลังมันเองไม่ได้หรอกน้อยตามหลังชิดเกินไปมันไม่ดีอนุชาบอกลงมาขณะที่สายตาจับนิ่งไปยังด้านหลังของเจ้าด้วนซึ่งอยู่ในภาวะไต่ขึ้นเส้นทางชันอันแทบไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ใหญ่ขนาดช้างจะสามารถไต่ทางขึ้นไปได้ตัวมันใหญ่ แล้วก็นหนักมากมันอาจจะเหยียบหินหรือดินส่วนไหนหักแล้วไอหินดินพวกนั้นแหละมันจะกลิ้งลงมาประท้ากับพวกเราเมื่อไหร่ก็ได้อันตรายมากเราต้องตามมันไปในแนวเยื้งหลังไอจะตามไปแนวตรงดิ่งนั้นไม่ได้หรอกน้อยไม่ทันจะขาดเสียงของอดีตพรานชดหินก้อนหนึ่งขนาดครกตำน้ําพริกึเขื่องมันเป็นแค่เศษก้อนหินกระจ้อยร่อยเล็กนิดเดียวสําหรับช้าง แต่ใหญ่โขสำหรับกลุ่มมนุษย์ได้หลุดหักออกจากตำแหน่งที่เจ้าด้วนใช้ขาหลังยันกายขึ้นไปร่วงลนสวนทางมาเบื้องหลังเฉียดอนุชาไปประมาณวาเศษแล้วกระดดนเข้ามาทางดารินหล่อนร้องอุทานลั่นยังตกใจเบี่ยงตัวบิดเข้าหาโคลนไม้ขนาดขาอ่อนที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆทิศทางผ่านหินจับเขียวไปด้วยตะไคร่ก้อนนั้นกระทบเข้ากับโคนไม้จนสั่นสะเทือนแล้วมันก็เปลี่ยนทิศ กระดอนห่างเชิฐานและชัยยันไปแค่ฟุตเดียวจากนั้นก็กลิ้งคลุกๆ ล, ลงไปหาพวกลูกหาบตลอดจนหนานอินและขยินผู้รา่างไทยเสียงอนุชาตะโกนก้องบอกออกไปพวกนั้นก็ไวทายาตหากันหลบวูบวาบหินก้อนนั้นกลิ้งเฉียดไปในกลุ่มพวกลูกหาบแล้วกระดอนก็ไปหาหนานอินผู้หดตัวหลบเข้าเพิงชะง้อนเหนือศีรษะได้อย่างบุดบิ เจ้าขยินคนเดียวที่ไม่ทันระวังตัวโดนกระทบเฉียดเข้าไปที่ต้นแขนขวาเล่นเอาเสียหลักถลายลื่นลงไปตามเนินหินลาดชันดีที่เกาะแง่ตอนหนึ่งของก้อนหินที่กําลังอาศัยไต่ขึ้นมาได้นั่นก่อนที่จะร่วงลงไปสู่ดงเฟินข้างล่างเสียงขยินร้องโวยวายด่าเจ้าด้วนขึ้นมาเอตโรเฮ้ยขยินเป็นไงบ้างอะอนุชาร้องตะโกนถามลงมาอย่างตกใจ เจ้ากระเรียงลมช้างทำหน้ายุยยี่ชูกำปั้นร้าไปทางเจ้าด้วนแล้วไตาตามขึ้นมาอีกด้วยอาการปกติไม่ได้แสดงว่ามันจะเจ็บปวดหรือพิการไปแต่อย่างใดทุกคนจึงถอนใจออกมาอย่างโล่งอกอนุชาสั่งกำชับให้พวกที่ไตาตามมาเบื้องหลังพยายามเบี่ยงทางของเจ้าด้วนไว้ไม่ให้ตามในแนวของเส้นตรงเฮ้ยเดินดีๆสิวะไอ้คุณด้วน ย้ายหินข้างหลังเอ็นมันหล่นลงมาทับพวกข้าป่าโทษทาเป็นช้างเกเรของไอ้มันไรไปได้ชายันร้องด่าเอ็ดอึงขึ้นไปเจ้าด้วนนั่นส่งเสียงแหวกออกมาสั้นๆครั้งหนึ่งเหมือนก็นจะเป็นการเตือนให้อดีตนายทหารปืนใหญ่หุบ ป, ปากแล้วมันก็นำขึ้นไปเรื่อยๆในสภาพอันหน้าตื่นตาตื่นใจยิ่งในข้อที่ว่าทุกคนเพิ่งจะมาเห็นอย่างถนัด ตาเดี๋ยวนี้เองว่าสัตว์ใหญ่ขนาดช้างป่าสามารถไต่ทางชันของแก่งแง่หินได้ยังไงและมีวิธีเช่นไรหากมันต้องการไปให้ได้สภาพอันโกลาหลเล็กๆน้อยๆนั้นทำให้ทุกคนลืมเหน็ดเหนื่อยกลายมาเป็นความขบขันคึกครื้นไม่เห็นอาการทะเลาะของขยินกับชัยยันซึ่งด่าเปิงขึ้นไปยังเจ้าด้วนและมันก็ตอบโต้ลงมา ดูเหมือนจะมีเจตนาแกล้งแก้งตามสัญดาณเดิมมันอยู่บ้างเหมือนกันเพราเศษหินเศษดินหรือซากท่อดไม้แหง้งร่วงหล่นตามหลังมันมาตลอดเวลาซึ่งถ้าทุกคนไต่ตามมาในเส้นทางตรงโดยสืบตามรอยเท้าของมันขึ้นไปก็คงจะต้องคอยหลบกันชุนลมุนจนกระทั่งดารินต้องร้องเตือนขึ้นไปด้วยเสียงหวานใสของหล่อนนั่นแหละมารยาทในการไต่หน้าผานําขึ้นไปของเจ้าด้วน จึงเริ่มจะดีขึ้นไม่แกล้งเหยียบอะไรให้หกักพังลงมาทางเบื้องหลังอีกเออไอ้นี่เนี่มันร้ายกาจรจริงๆมันเชื่อฟังเคารพน้อยอยู่คนเดียวท่านนั้นน่ะน่าจะลูกปืนเด็ดหางให้ด่วนกว่าเก่าก็ไปอีกเนะาะชยันจุปากลั่นโครงหัวขณะที่บนพึมภูมิประเทศที่ช้างแสนรู้นำทางขึ้นไปนั้น เป็นเส้นทางด่านของสัตว์สี่เท้าประเภทที่สามารถปีนป่ายขึ้นที่สูงชันไม่ถึงกระต้องไตห้อยโหนตัวหรืออาศัยเชือกมันลาดชันเลาะละัดไปในระหว่างแก่งแง่หินก็จริงแต่เป็นเส้นทางที่มนุษย์สองเทา้าโดยมีสองมือเป็นเครื่องเกาะยึดเหนียวสามารถจะเดินขึ้นไปได้อย่างสบายพอสมควรก่อฝืนเล็กกล้วยไม้ตลอดจนพันไม้ดอกสวยงามสะพรั่งตาไปหมด ละอองไอ้น้ำจากสายน้ำตกยังสาดเข้ามาให้ความชื้นและมองเห็นเป็นม่านหมอกอยู่ทั่วทั่วไปสัตว์ที่จะเห็นได้ในขณะ น, นี้มีก็แต่กลุ่มของผีเสือ้อหลากหลากสีและหลากลวดลายของปีกแต่ละตัวมีปี ก, กว้างขนาดพัดญี่ปุ่นบินเนิบเนิ บ, นบโฉบอยู่ไปมาตามสมุนทุมพุ่มพลึกและพันไม้ดอกบานลานตาเหล่านั้น เรากับแพรพันสารพัดสีที่ปลิวว่อนเชฐาตกไหลชัยยันให้สังเกตดูลักษณะพันไม้และผีเสื้อขนาดใหญ่เหล่านั้นตลอดจนลักษณะภูมิประเทศอันผิดแพกไปจากป่าที่ผ่านพบมาแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ชี้บ่งให้ทราบว่าณนะบัดนี้คณะทั้งหมดได้เดินทางล่วงเข้ามาสู่ภูมิประเทศของป่าในอดีตการยุคดึกดาบันแล้ว อย่างไม่มีอะไรจะต้องลังขาอีกต่อไปนี่นี่เราหลุดพ้นออกจากโลกภูมิศาสหรือเหลอชยันกระซิบอย่างระทึกใจอืมใช่แต่เราก็เคยผ่านมันมาแล้วสมัยที่ระพินเป็นคนนำทางดูโน่นสิเชศถาบอกมาเสียงแผ่วต่ำแล้วบุยปากไปทางต้นปรงยักษ์ที่ยืนลำต้นชะลูดพ้นดินลักษณะคล้ายๆป่า สูงประมาณสีว่วามีลำมีโคนลำต้นอันอวบใหญ่ไร้ใบแล้วไปมีปลายยอดเป็นใบปรงอยู่ด้านบนกับลักษณะของกิ่งกาฝากอันออกดอกช่อสวยงามแปลกตาซึ่งขึ้นอยู่กลางลำต้นมีแมลงปอสีแสตัวหนึง่งเกาะอยู่ที่กาฝากตัวนั้นยาวเป็นฟุตอย่าให้ต้องเจอกับไอ้ยักษ์ไทยรันอีกแล้วกันไม่สนุกแน่ละ เพราะมาคราวนี้เราไม่มีพระรามแงซทรายกระสอนพรหมมาศของเขามาเป็นเครื่องคุ้มกันอีกด้วยตปแค่เจ็ดเอ็กับอีแค่เอ็เจ็ดเก้าที่ติดมาด้วยเฮ้ยมันคงทำอะไรมันได้พอแค่แสบแสบคันคัน่านนั้นแหละใช้ยันบ่นมาเช่ดตายิ้มให้ขึนขๆเออฉันก็กำลังภาวนาอยู่เหมือนกันว่ า, วาขออยากให้เราต้องผ่านะจนกับไอสัตว์ประเภทไดโนพวกนั้นอีกเลย แล้วก็ไม่ควรจะพบด้วยเพราะนี่นะมันเป็นเส้นทางของนายชดประชากรเขาไม่ใช่เส้นทางของระพินกางแสายอย่างในครั้งนั้นอดีตพรานชดไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นค ง, งก้าวตามหลังเจ้าด้วนไปในอาการปกติเพียงแต่ประสาทสัมผัสและสัญชาตญาณของเขาเท่านั้นที่จะต้องคอยระมัดระวังสำเนียกกับสิ่งที่ไม่อาจจะคาดคิดได้ซึ่งบางทีอาจจะดักรอคอยอยู่ ในระหว่างเส้นทางอันเป็นลักษณะของนักผจญภัยดั้งเดิมของเขาผู้ไม่เคยประมาทต่อภูมิประเทศส่วนดารินวราริศกวาดสายตาพินิษไปยังสภาพของป่าแวดล้อมรอบด้านทั้งใกล้และไกลตัวด้วยอาการใคร้ครวญเร้นลึกใช่หล่อนสัมผัสกบับบรรยากาศผิดแปลกไปเหล่านี้ได้ก่อนเชิฐาและชัยยันซะอีกพลางรำพึงเศร้าอยู่ในใจ ระพขณะนี้เนะี่ยฉันย่างก็สู่ดินแดงเดิมกับที่เธอเคยนำมาในคราวนั้นแล้วนะแล้วเธอล่ะยามนี้ไปอยู่แห่งหนใดใกล้หรือไกลจากฉันเพียงไหนนะระพินระพินระพิน เกิดมาไม่เคยพบกับสภาพของภูมิประเทศตลอดจนพันธุ์ไม้งามประหลาดเหล่านี้มาก่อนพากันชี้ชวนกันให้ดูและวิจารณ์พูดกันอยู่ซุบซิบซุบซิบเพราะไม่ว่าจะเหลือไปทางด้านใดมันล้วนวิกิตรการตาพาให้ต้องตะลึงแลไปสมุต์แม้กระทั่งไม้ประเภทเครือเถาที่เกาะเกี่ยวกระหวัดพันกันอยู่ตามสูงทุมและลำต้นของพฤกใหญ่ ก็ดูราวกับมีใครมาเขียนเป็นฉากวาดเอาไว้ฉะนั้นดูไม่ผิดอะไรกับลายกระหนกในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความลี้ลับสุดประมาณคู่หลังรังท้ายสุดคือขยินและหนานอินไม่สนใจกับอะไรทั้งสิน้นเช่นเดียวกับนายชดซึ่งเดินนำหน้าสุดถ้าแม้จะมีการมองใกล้มองไกลหรือมองต่ำมองสูงอยู่บ้าง เป็นระยะระยะก็หมายถึงการระวังภัยเท่านั้นและจากการทําหน้าที่เป็นกองระวังหลังเดินอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กันมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้ปริปากพูดอะไรกันเลยเจ้าเกรเหียงหลวงช้างก็เพิ่งจะเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกด้วยเสียงต่ําลึกของมันลุกว่างไงไอ้ขยินเองเรียกขาดเนอะลุงพานายชดเดินมาคราวนั้นน่ะ เคยพบไอตัวอะไรที่มันใหญ่กว่าช้างสักยี่สิบเท่ามั่งไหมลุงมันยืนสองขาหลังสองขาหน้ากุดกุดสั้นๆปากมันอ้า ก, กว้างมีฟันเต็มปากหางนั้นลากยาวลากดินเลยเวลามันร้องอ่ะดังยิ่งกว่าฟ้ากำรามีเอตัวหาอะไรของเองวะข้าไม่เคยเห็นไม่ใช่ตัวหาลุงมันเป็นตัวเีย เป็นโคดเฮียเลยแหละตัวโตกว่าเป็นล้านเท่าเลยครูพานพูดเท่าหัวร้อคือเฮ้เยผัวของนายห่างใหญ่ก็ถามข่ามกันแต่ข่ากับนายชดไม่เคยพบเคยเห็นนี่หว่าอย่างมากก็เห็นเสือมีเขี้ยวบนโผลอกมายาวเกินปากล่างเหมือนดาบโผลออกมาข่ากับนายชดก็ยิงกินซะเท่านั้นกําลังหิวหิวอยู่เลย ลแล้วถ้าอีเหยียยักษ์มันโผล่มาเราจะทำ ย, ย, ยังไงกันดีอ่ะขยินตั้งปุฉามาด้วยสีหน้าแห้งแห้งของมันครูพานถมใบกระท่อมที่อมจนจืดแตวออกจากปากบอกว่าเอเจ้าป่าเจ้าไพรทำริษเตคนเดินป่าดูไม่ซ้ำกันหรอกเอกขยิงเอ็งมาก็ข้าเอ็งไม่ต้องกลัวข้าจะพาเอ็งกับเจ้านายไปโดยไม่พบกับไอตัวอะไรที่เอ็งเคยพบมาแล้วนั่นหรอก สิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยมายามันก็ต้องแก้กันด้วยอาคมถ้าข้าไม่แน่จริงข้าก็คงไม่มาเดินป่าตั้งแต่หัวดำมาจนหัวงอกป่าไหนหรอกวะลุงแล้วลุงว่าเราจะพบนายรพินไหมเนี่ยต้องพบจิ๋ ว, วไม่พบชาตินี้ก็ชาติหน้าหร้วะนั้นอินบอกมาหน้าตาเฉยอีกสองชั่วโมงเต็มเต็ม ที่การนำของเจ้าด้วนไต่ทางลาดชันขึ้นไปบัดนี้เสียงทานน้ำตกใหญ่ที่ดังสู้ซาครืนโครมอยู่ได้หายขาดเงียบสนิทไปแล้วเพราะเส้นทางเบนออกห่างขึ้นไปยังยอดเขาอีกลูกหนึ่งพบกับบริเวณอันเป็นป่าหินล้ว น, ลวนสลับไปกระต้นโปรงใหญ่พื้นเป็นก้อนกรวดใหญ่น้อยสลับกับทราย เป็นแนวลิบลิ่วสุดสายตาท้องฟ้าโล่งเพราะปราศจากกิ่งใบทึบของต้นไม้ใหญ่บังแลเห็นหมู่เมฆ ก, ก้อนใหญ่ๆสลับซับซ้อนเหมือนจะลอยอยู่เหนือสีสะขึ้นไปไม่มากนะลักษณะแดงฉานราวกะสีโกเมนและไม่ผิดอะไรกับหมอกเพลิงฉาบย้อมภูมิภาคเบื้องหน้าให้แลเป็นสีแดงส้มไปทั่ว ณที่นี้อากับกิริยาของเจ้าด่วนดูจะผิดปกติไปกว่าทุกครั้งที่ทุกคนเคยเห็นมันชู ง, งวงขึ้นสูงแล้วส่งเสียงร้องยาวลึกในลำคอมีท่าทีหันรีหันขวางและหมุนตัวอยู่หลายครั้งเหมือนไม่อยากจะเดินต่อไปเบื้องหนะ้าไม่ว่าอนุชาจะร้องตะโกนสั่งความให้มันออกนำต่อไปยังไง ทุกคนมองเห็นความผิดสังเกตนั้นได้อย่างเด่นชัดและพากันหยุดยมรวมกลุ่มมองดูอาการของเจ้าบวอยอย่างแปลกใจขณะเดียวกันก็มองไปยังภูมิภาพรอบตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันไม่คิดว่าจะมาพบเข้าอย่างรวดเร็วนั้นด้วยดารินวิ่งเข้ามายัางพี่ชายกลางซึ่งกำลังพยายามพูดสั่งการกระช่างแสนรู้เพื่อให้นำหน้าต่อ เป็นเวลาเดียวกับที่เชษฐถาและชายยันก็เร่งฝีเท้าตามเข้ามาด้วยพกลางคะอาการของเจ้าด้วนผิดไปซะแล้วเนี่ย น, นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดารินพูดกระหืบกระหอบจ้องพลายหางด้วนคู่บารมีของหล่อนตาไม่กระพริบมันยืนโยกกายทายไปมาเสียงกระดึงที่ผูกคอไว้ลั่นกโกรกเกรก แล้วก็แผดเสียงร้องดังต้องขึ้นมาอีกอนุชาหแงหงดูทองฟ้าที่มีหมู่เมฆลักษณะประหลาดเหนือหัวกับสภาพของป่าหินโดยรอบแล้วแม้มริงฝีปากแน่นขนะเดียวกันทั้งเชิดฐาและชัยยันก็แล่นมาถึงส่วนนั้นอินและขยินกำลังก้าวสวบสว บ, สวบตามเข้ามามีมีอะไรเหรอ ทั้งเชิถาและชัยยันร้องถามขึ้นพร้อมกันด่วนสิครับพี่ใหญ่มีอาการพิกลไปมากเลยค่ะดารินพูดอย่างเร่งร้อนชี้ให้ทั้งหมดดูดูสิคะดูเหมือนเขาจะไม่ยอมเดินอีกแล้วละ่ะดูสิแหวงงวงร้องอยู่นั่นแหละน้ำตาไหลด้วยสิยังไม่ทันจบกระแสะความ ดารินก็แล่นทลา้าไปที่เจ้าด้วนในทันทีร้องร้องเรียกเสียงดังลั่นด้วนด้วนถ้าเป็นอะไรนี่เธอร้องไห้เหรอเมื่อหลอนแล่นเข้าไปถือเจ้าด้วนก็คุกเข่ า, าย่อตัวหมอบลงแล้วก็กวาดโอ้ไปรัดรอบตัวหญิงสาวไวเบาๆดารินเห็นน้ำตาของมันไหลเป็นทางออกมา จากดวงตาที่เล็กตีทั้งสองข้างจึงเอื้อมมือไปแตะที่เนินน้ำตาของมันแล้วกอดไว้อนุชาเชษฐาและชัยยันก็ทะลันเข้ามาถึงด้วนฉันไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยมันแปลว่าอะไรด้วนถึงเธอจะพูดภาษาคนไม่ได้ก็ขอแสดงกริยาให้ชัดกว่านี้ว่าเธอต้องการอะไรหรือมันเกิดอะไรขึ้น แสดงออกมาหน่อยสิด้วนดารินพูดดัวเร็วหรือซ้ำซ้ำกันละล่ำละละักลูกที่บริเวณสีสะอันใหญ่โตของมันอย่างแสนรักสนิท185รแสพลายแสนรู้ผู้จงรักพักดีและร่วมพจนทุกสุขดารินมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนดูเหมือนว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะเดินทางติดตามค้นหารพินไพรวันบัตรนี้ได้ยันขาลุกขึ้นยืนอย่างแช่มช้าตลอดระยะเวลาแห่งการเคลื่อนไหวของมันทุกคนพยายามจับสังเกตตาไม่กระพริบมันยืนสงบนิ่งอยู่ชั่วอึดใจใหญ่จากนั้นก็ส่งเสียงร้องดังแปรัน ร้องกันก็ก้าวเท้าเดินถอยหลังเป็นเส้นตรงจากตำแหน่งที่ยืนอยู่นั้นห่างจากดารินผู้จ้องมองอยู่ทุกขณะถอยไปประมาณห้าหกเมตรแล้วก็หยุดยืนนิ่งอีกครั้งเหมือนจะบอกรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฝ่ายมนุษย์มีแต่ความประหลาดใจและยังไม่สามารถจะอ่านออกได้ในขณะ น, นี้แปลว่าอะไรเนี่ยอดีต ท่านทูทหารบกหัวหน้าคณะพึมพำออกมาด้วยเสียงต่ำเบาในลำคอขณะที่อนุชาและชยันก็หันมองหน้ากันเองอยู่ไปมาดารินเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงดวงตาของหล่อนที่จ้องนิ่งไปยังเจ้าด้วนบัดนี้ปรากฏเป็นสีแดงเรื่อเื่อด้วนด้วนเดินกลับมาสิ เดินกลับมาหาฉันอีกครั้งสิหลอนพยายามระ ง, งับเสียงให้เป็นปกติแข็งใจพูดออกไปซ้ำๆประโยคอย่างวิงวอนอ่อนโยนพร้อมกับบกมือเรียกช้าๆแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นได้ชัดก็คือแก้วด้วนโครงตัวช้าๆสีสะอันใหญ่โตดูคล้ายๆจะส่ายไปมาเชิงปฏิเสธอยู่เช่นนั้น แล้วน้ําตาของมันก็ไหลเป็นทางออกมาอีกดารินวราฤทธิ์ขยับจะเคลื่อนตัวเข้าไปหาพร้อมกับเอ่ยเรียกชื่อของมันอยู่เช่นนั้นแต่เชษฐาเอื้อมมือมาคว้าต้นแขนของน้องสาวไว้สะกอนดึงเข้ามาใกล้พูดเคร่งขืมแผ่วเบาน้อยยังจำสิ่งที่เราเคยพูดจาหารือกันไว้ได้ไหม น้อยเป็นคนบอกกับพวกพี่ไว้เองน้องสาวพยักหน้าฝืนยิ้มในขณะที่น้ำตาคลอค่ะพี่ใหญ่น้อยน้อยจำได้ค่ะน้อยเคยบอกกับพวกพี่ใหญ่ไว้เองว่าเมื่อด้วนนำเรามาถึงเขตแดนหนึ่งอันเขาไม่สามารถที่จะนำพวกต่อไปได้หมายถึงเขตแดนแบ่งขั้นระหว่างโลกภูมิศาสตร์ กับโลกในสีกส่วนของแดนสนธยาเมือนั้นเขาก็คง <c oughs> ไม่อาจจะติดตามพวกเราได้ต่อไปแต่น้อยคิดไม่ถึงว่ามันจะรวดเร็วถึงเพียงนี้นี่มันมันแปลว่าเขาได้นำเรานำทางมาจนถึงดินแดนที่เราต้องการนั้นแล้วเลยคะ่ะประโยคหลังหล่อนข่มสะอื้นความรู้สึกมันปะปนกันไม่อาจจะจำแนกได้ถูก ระหว่างความเศร้าอะไรที่จะต้องแยกจากกันระหว่างหลอนกับช้างคู่บารมีตัวนั้นและความปิติยินดีที่ก้าวเข้ามาถึงประตูชัยที่ตั้งความหวังไวอนุชาเข้ามาเอามือวางบนไหลของน้องสาวอีกข้างบีบหนักหน่นยวยวันเวลานะมาถึงแล้วนะน้อยก็ได้รู้ตัวล่วงหน้า เตรียมกายเตรียมใจไว้ก่อนนล้นี่ต่อไปนี้พวกเราจะต้องรุดหน้าต่อไปกันตามลําพังโดยไม่มีเจ้าด้วนของน้อยร่วมทางไปด้วยได้น้อยต้องทําใจเข้มแข็งนะแล้วก็ยอมรับสภาพความจริงนี้ซะพี่เองก็ไม่นึกเหมือนกันว่าด้วนจะนําพวกเรามาถึงจุดที่เราต้องการได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันน่ะว่าในตอนเชาวตร์วันนี้ ตอนที่มันพยายามจะเร่งปลุกพวกเราให้ออกเดินทางซะโดยเร็วซึ่งความจริงก็มาเปิดเผย อ, อย่าเดี๋ยวนี้เองว่ามันต้องการนำส่งเราให้ถึงเขตแดนที่เราต้องการเดินมาให้ถึงซะโดยเร็วนั่นเองจะด่วนมีความซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็มีเจตนาที่จะให้การช่วยเหลือเราอย่างแท้จริงไม่มีข้อกังขาอะไรอีกแล้วบ้า นี่เจ้าด้วนจะต้องแยกจากเราไปโดยไม่สามารถไปด้วยกันอีกแล้วหรือวะเนี่ยชัยันอุทานออกมาอย่างใจหายสีหน้าเผือดลงเช่นกันตามปกติแล้วเขาไม่ค่อยจะถูกชะตากับเจ้าด้วนนะมีเรื่องคัมเห็นขี้หน้ากันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ชอบที่จะแกล้งเขากับขยินเป็นประจำแต่บัดนี้ชัยันมีความรู้สึกเหมือนกําลังจะขาดเพื่อนร่วมตายที่สําคัญยิ่งไปตนหนึ่งแล้ว แล้วโดยแท้ที่จริงเขาและทุกคนก็มอบความรักความไว้วางใจให้แกมันอย่างเต็มที่ดารินนค่อยๆหันไปทางหนานอินผู้ยืนนิ่งเฉยอยู่เช่นกันเหมือนจะสอบถามอะไรบางอย่างครูพานผู้เท่าพอสบตาหลอนก็พยักหน้าลงนิดนึงบอกมาสั้นๆว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะนายหญิง สำหรับขยินคู่รักคู่แค้นกับเจ้าด้วนมาตลอดขนาดฝ่ายนึงเคยยิงและอีกฝ่ายนึงก็เคยไล่ขับใช่แทบไม่เป็นผู้เป็นคนแต่ก็เป็นไปในลักษณะที่ย่วยอกล้อเล่นกันซะมากกว่าที่จะคิดเอาเป็นเอาตายด้วยกันทั้งคู่บัดนี้ขยินยืนร้องไห้เช็ดน้ําตาอยู่ป้อยป้อยเจ้ากระเรียงลมช้างสํานึกในบุญคุณของเจ้าด้วนอยู่เต็มอกและไม่ได้คิดเป็นอื่น นอกจากคิดว่าช้างตัวนั้นแท้ที่จริงก็คือเพื่อนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมันมาเสมือนเพื่อนตายและพวกลูกหาบทุกคนพอรู้รหัสก็น่ามองดูช้างพลายใหญ่ผู้แสนรู้เท่าเท่ากับคนตัวนั้นด้วยความรักอะไรอย่างไม่อาจจะกล่าวถูกเดี๋ยวค่ะขอน้อยเข้าไปส่งภาษากับเขาให้แน่ใจสักครั้งเถอะ บางทีด้วนอาจจะมีอะไรที่อยากจะให้เรารู้เข้าใจได้มากกว่านี้พร้อมกับกล่าวเสียงเครือดารินเดินช้าๆเข้าไปหาเจ้าด้วนและทุกคนของคณะทั้งหมดก็เดินตามอย่างช้าๆเข้ามาพร้อมกันเห็นหญิงสาวเข้าไปลูบที่งวงของมันและเห็นเจ้าพลายหางด้วนไซปลายงวงไปตามลำคอและใบหน้าของหญิงสาวอย่างแสนรัก ด้วยอาการละเมียดละไมเศ้าซ่อยเหมือนจะเป็นการสั่งลาเพียงแต่มันไม่อาจจะเอ่ยออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้เท่านั้นด้วนนี่หมายถึงว่าเราจะต้องแยกจากกันตรงจุดนี้แล้วเลยให้ฉันแน่ใจชัดๆอีกสักครั้งได้ไหมด้วนเจ้าด้วนยิ่งน้ำตาไหลแล้วชู ง, งวงขึ้นสูง ส่งเสียงร้องยาวดังก้องไปไกลคล้ายๆจะกล่าวคำกำลังและอำนวยพรให้แกหลอนในเส้นทางเด่นข้างหน้าเมื่อนางเองนังก็สะกดกัน้นน้ำตาไว้ต่อไปอีกไม่ได้ยกมือขึ้นปิดหน้าสะอื้นฮักสตูนั่งพุกเขาก่ขาลงพื้นด้วน ต่อไปนี้จะมีใครมาจงรักภักดีต่อฉันได้เสมอเท่าด้วนอีกแล้วล่ะเนี่ยใครใครจะคอยมาเป็นพี่เลี้ยงคุ้มครองป้องกันภัยให้แกฉันเท่าด้วนและไม่เคยไม่ควรจะต้องแยกจากกันเลยนะด้วนสิ่งที่ฉันต้องการในโลกนี้นอกจากระพินแล้วก็คือเธอนะด้วนขอให้โปรดรับรู้ไว้ด้วย เท่าเท่ากับคนคนหนึ่งซึ่งสามารถจะยังซึ้งเข้าใจภาษาของคนได้อย่างดีที่สุด oh. ช้างใหญ่ใช้งวงโูประคองชุดตัวนายสาวของมันให้ลุกขึ้นมาทรงตัวแล้วใช้ปลายงวงสูดดมไปตามลำตัวตลอดจนใบหน้าของหล่อนเหมือนจะปลุกปลอบใจขณะนั้น ทองฟ้าและหมู่เมฆเป็นสีแดงำํำชาบย้อมสีภูมิประเทศอันเป็นป่าหินและพื้นกรวดทรายดุดผ้ากระบายสีไว้ด้วยผู้กันแห่งจิตตะกรผู้มีอารมณ์อันลึกลับยากที่จะทำนายได้ดารินกายสั่นเทาพยายามอย่างยิ่งที่จะสงบจิตใจแห่งความเศร้าโศกอะไรฝืนยิ้มให้แกมัน แล้วจับปลายงวงมาแนบใบหน้าของหล่อนความสากกระด้างของงวงช้างสารและความอ่อนละมุนของผิวหน้ามนุษย์สาวสัมผัสกันอย่างสนิทแนบบัดนี้สิ่งหนึ่งก็พลันวูบขึ้นในจิตสำนึกส่วนลึกของหล่อนเดี๋ยวนี้หล่อนแน่ใจที่สุดแล้วแท้จริงเจ้าด้วนหาช่วยใครอื่นไหม มันคือสเสวตั น, นพญาคคจสารศึกประจำตนสมัยเมื่อยังดำรงอิสริยะเป็นมกุกราชกุมารีจิตรางขนางในอดีตชาติอันแสนไกลนั่นเองสเวตันผู้รับทาหน้าที่ไปรับตัวหลอนด้วยกริยามนบังคับของมันไรเพื่อนำกลับเข้าไปสู่มหาปราศาสตร์ของหลอนเอง นักวันที่มันไรได้ใช้อิทธิฤทธิ์มายามืดบันดาลขึ้น ท, ทั้งทั้งที่โดยแท้จริงแล้วสเวตนันได้มีสภาพกลายเป็นช้างหินไปแล้วนับตั้งแต่มหาอ า, า, าณาจักรนิทรานครทถลม่มล่มในครั้งกระโ น, น้นและมันได้หวนกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นเจ้าด้วนช้างป่าเกเรแต่คอยให้การช่วยเหลือหลอนในปัจจุบันชาตินี้ ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วด้วนเธอคืออะไรสเสวตนันสเสวตนันหล่นคร่ำครวญผะแผ่วออกมาแล้วความรู้สึกในปัจจุบันก็ดับวูบลงชั่วขณนะแผ่นภาพของการเวลาที่ตนเองได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตมหาปราราท เป็นแหล่งพำ น, นักถิ่นฐานเดิมก็ผุดกระจายยินและยนขึ้นอีกครั้งตลอดทั้งชีวิตนี้หล่อนคงไม่มีวันถอดถอนออกไปจากความทรงจำได้ลำนำเพลงพินอันอดอ้อนตัดพอที่มีข้อความว่าอ้าโฉมพิไลพิพลาชพรางกิตราง<า>ขนางสีสส ของพักประดุจจดวงมณีนยามโชติระการฉายพิชโฉมประโลมมณสปลื้มสีดำดื่มฮาไทยชายสเสนหารติบอมิจะคลายสวาดดีวายดนุทวิงฆ่ารอและรอ ตราบชีวิดับมลายลับนโลมดินความรักสตินจิตน จ, ตนจตตนริณากอนิรันกาและข้อความโต้อตอบกำมันไตรข้าจำได้จำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กิ่งไม้ใบหญ้า ทุกเส้นใบเช่นนั้นใต้ฟ้าพระบาทก็คงจำคชสารอันเป็นราชพาหนะันนำกลับมายังราชฐานเดิมนี้ได้ข้าจำได้แล้วมันคือสเสวตน้นคชสารสึกประจำตัวข้า ณวันที่ข้าญาติราเรียบมหาักครตทักษินวัด ร, รอบกำแพงเมืองนิทรานครในวาระแห่งการเฉลิมฉลองสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารีแต่มันไรเออยฉชไหนสารทรงของข้าเชือกนี้จึงกลายเป็นก้อนศิลาไปแล้วล่ะจิตรางขานาง พยาคต <ยา S 1> จัสเวตรนันของใต้ฝาพระบาทเด็กกลายร่างเป็นท่อนศิลาไปนานแล้วนับแต่วันที่มหาอาณาจากักรถล่มล่มอับปางลงในครั้งกรนั้นอีกสองเชือกิตามเสด็จมาทางเบื้องปริศดานั้นเล่ายังทรงจำได้อยู่หรือไม่พระเจ้าค่ะจำได้สิ หลังเบื้องซ้ายของข้าคืออเยเรตอลงกรช้างด้านและเบื้องขวานะคือมาหินทรหัดถีช้างแซงไงล่ะสัญญาณแห่งความทรงจำอันสมบูรณ์ <c oughs> ได้กลับคืนมาสู่ดวงจิตของพระองค์แล้วจิตรางขนางใช่จิตรางขนา ง, ใ ช, า ง, นางใช่สิ ข้าจำตัวข้าเองได้แน่แท้แล้วมันไกรโคดชะสารทั้งสามเชือกนี่ซึ่งกลายเป็นศิลาไปหมดแล้วแล้วเหตุใดถึงไปรับค่ากลับคืนถิ่นได้ล่ะ <c oughs> <c oughs> จิตตรางคันนา <c oughs> ด้วยมหิตที่อำนาจ <c oughs> แห่งมหาธรรมพีมายาวินด้วยดวงจิตอันแน่วแน่มั่นคงต่อความรักของมันไรที่มีต่อเบื้องระบาด สเวตระนันคจจะสารทรงประจำพระองค์ทั้งยามเรียกพระนครและยามออกศึกกั บ, กบไอยเรศอลงกรณ์<ด>มหินทรหัตถีช้างดันช้างแซงอีกสองเชือกได้กลับสภาวะมาเป็นช้างดุดมีชีวิตจริงชั่วการหนึ่งเพื่อไปรับเสด็จมาโดยเฉพาะ และเมื่อยามนำจิตร้างคนางมาถึงนาที่แล้ ว, ล ว, ลวเขาทั้งสามก็แปลสภาพไปสู่ความเป็นโคดศิลาตามเดิมพระเจ้าค่ะนี่ข้าได้กลับคืนมาสู่อดีตของข้าท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหินเป็นหุนไปแล้วเหรอเนี่ย <laughs> จิตรางคนาง สัพพสิงนสถานที่นี้จะกลับคืนมาสู่ความมีวิญญาณดุจเดิมดดเมื่อพระบาทของพระองค์แตะลงสู่มหาปราศาสตร์และทุกสิ่ง ท, ที่แวดล้อมรอบพระวรกายจะคงสภาพอยู่ชั่วนิรันดร์การดังมันไรได้กราบทูลไว้ก่อนแล้วพระเจ้าค่านี่ม <reca> e> ันไรนี่ท่านอยู่ที่ใด ขณะนี้ข้ามองไม่เห็นท่านเลยนะมันไรรอเจ้าหญิงจิตรางขนางอยู่แล้วที่มหาปราศาสตร์ของพระองค์เองและจะทรงให้ทหารรักษาพระองค์ราชองค ร, รักษ์เดิมอันเชิญวอทองไปรับมาณนะบัดนี้ขอจงสเสด็จลงจากคอคคจสาหิน ประทับมาในวอทองนั่นเถิดพระเจ้าค่ะดารินตื่นจากตะลึงผวังเมื่อพี่ชายใหญ่เขย่าแขนแรงๆน้อยเป็นไรไปหรือเปล่าเนี่ยพี่เห็นเธอยืนตาค้างและพูดอะไรออกมาอย่างกับคนลเมอเนี่ยหญิงสาวสะบัดหน้าแรงๆครั้งหนึ่ง สำนึกกลับคืนมาสู่ปัจจุบันการทันทีรีบปฏิเสธว่าเปล่าเปล่าค่ะเปล่าเปล่าไม่มีไม่มีอะไรค่ะน้อยมืนชาไม่รู้สึกตัวไปชั่วขณะเท่านั้นเมื่อรู้สึกว่าด่วนจะต้องแยกทางจากพวกเราไปแล้วหล่อนก็แหงหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าเหนือสีสักซึ่งบรรดาเป็นแสงสีโกเมนเข้มอยู่ในขณะ น, นี้พึมพำต่อมาว่า ดูท้องฟ้าแดงน่ากลัวเหลือเกินนี่มันจะเป็นลางร้ายหรือลางดีกันแน่นะเนี่ยไม่มีลางร้ายสำหรับเราจะมีก็แต่ลางดีเท่านั้นแหละน้อยอดีตพรานชดพูดเสียงหนักๆพร้อมกับหัวเราะแผ่วเบาน้ำเสียงเกรียมอยู่ในลำคอนี่น้อยตะกี้ว่าท้าหูไม่ฝาด เราทุกคนได้ยินเสียงน้อยเอ่ยนามออกมานามหนึ่งนะสวตนันมันหมายถึงอะไรดารินฝืนยิ้มสันสีสันอเอ๊ะน้อยนายพูดมาอย่างนั้นเหรอไม่รู้ตัวแล้วน้อยก็ไม่รู้ด้วยว่าเอ่ ย, ยอะไรออกไปอย่าไปสนใจอะไรเลยะคะ่ะคนที่สติสตังไม่ค่อยจะอยู่กันเนื้อกับตัวอย่างน้อยเนี่ยนี่มันเวลาเท่าไหร่แล้วล่ะคะพี่กลาง อนุชา ย, ยกนาฬิกาเดินปากขึ้นมาดูปากก็บอกว่าบ่ายสามโมงกว่าแล้วแต่ดูลักษณะอากาศมันเหมือนจะใกล้ค่ามากแล้วแลวท้องฟ้าก็ดูจะลอยลงมาต่ำเหลือเกินนะักบัตรนี้พญาคตสเวตนันและจิตรางคนางในอดีตในอดีตชาติยังยืนสบตาประจันหน้ากันอยู่ แววตาของทั้งสองฝ่ายที่แลศประสานกันต่างอย่างรู้ต่างตระหนักในความหมายลึกซึ้งยากที่บุคคลที่สามจะเฉลียวคิดทราบความในได้มันเป็นการระลึกความหลังของกันและกันได้ในวินาทีสำคัญที่กำลังจะผลักจากจากสภาพที่ยืนซึมนิ่งไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายระหว่างพยาคดสาร และกลุ่ ม, มนุษย์อันเข้ามายืนล้อมอยู่ในขณะ น, นี้เจ้าด้วนโบกพัดใบหูช้าๆไปมาแล้วเริ่มมีอาการส่อให้เห็นว่ากําลังจะผลกจากไปอยู่เดี๋ยวนี้แล้วซึ่งฝ่ายมนุษย์ทุกคนสังเกตได้จากท่าทีไปถะึะสเวตนันไปถะึะ ดารินกระซิบกระมันเบาที่สุดพร้อมกับพยักหน้าอนุญาตพลางส่งมือไปให้เจ้าด้วนยื่นงวงมาแตะอีกนิดเดียวแล้วมันก็ถอยห่างออกไปอีกหมุนตัวหันรีหันขวางเหมือนยังไม่อยากจะพลัจากแต่ก็คล้ายมีอำนาจลี้ลับที่จะต้องผลักไสให้มันต้องไปซะโดยเร็ว ลากรด้วนลากรประโยคต่อไปดารินพูดออกมาดังๆทุกคนได้ยินโบกมือให้ถ้าไม่ตายเสียฉันจะกลับมาพบกับเธออีกนะขอยเธอรอคอยฉันอยู่ณนะบริเวณป่าในเขตที่เธอสามารถจะเหยียบย่างเข้ามาได้อย่าให้พระหลุดจากคอนะด้วน แล้วก็ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีฉันหวังว่าเที่ยวขากลับฉันจะได้พบเธอแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะด้วนนะเจ้าด้วนหยุดวาดหูเหมือนจะตั้งใจสะดับฟังคำของดารินแล้วส่งเสียงร้องยาวเยือกขึ้นร้องกันก็ชูงวงสูง้ เมื่อนั้นเองเชทฐาอนุชาและชัยยันก็ยกมือขึ้นแตะปีกหมวกส่งไปให้มันส่วนนันอินขยินและพวกลูกหาบทั้งหลายยกมือขึ้นโบกตะโกนร้องบอกสั่งลามาด้วยความรักอะไรไปดีเว้ยด้วนว น, นายได้ทำหน้าที่ของนายอย่างดีที่สุดแล้ว ไม่ตายพบกันใหม่เนะขอขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่นายได้กระทำให้แกพวกเราทั้งหมดนายก็เหมือนเพื่อนตายของเราคนหนึ่งเสียดายที่จำเป็นจะต้องจากกันเพียงแค่นี้และพวกเราก็เข้าใจได้ดีว่านายไปกับพวกเราไม่ได้อีกแล้วลานลา่อ ทยันร้องตะโกนดังลั่นออกไปในขณะเดียวกันพวกลูกหาบก็ส่งเสียงอำลาจากเจ้าด้วนอืองไปหมดหลายคนที่กลั้นน้ำตาแห่งความอาลัยไว้ไม่ได้แม้แต่ขยินซึ่งยืนหน้าเศร้าซึมทื่อมาลือพูดอะไรไม่ออกช้างใหญ่คู่ชีวิตของดารินผู้ร่วมต่อสู้ผจญกับวิบากภัยมาสารพัด เดินถอยหลังห่างไกลออกไปตามลำดับอย่างเช่มช้างวงของมันโบกชูกวัดแกว่งไปมาเหมือนจะเป็นการโบกอำลาตอบฝ่ายมนุษย์พอห่างออกไปในระยะประมาณ20สิบเมตรมันถึงเบนหัวกลับหลังออกก้าวเดินดุมดุงไปอย่างเสื่องซึ้ ง, งทุกคนเงียบกริบเฝ้าจับมองการแยกทางผลาไปของมัน จนกระทั่งร่างทรมุนสูงใหญ่นั้นลับตาหายเข้าไปในดงหินที่มันเป็นฝ่ายนำเดินมาจนถึงสุดปลายทางอันมันไม่สามารถที่จะร่วมทางต่อไปได้เป็นเวลาอีกพักใหญ่ทีเดียวกว่าที่ฝ่ายมนุษย์ซึ่งพากันยืนตะลึงแลตามหลังไปนั้นจะได้รู้สึกตัวและไหวกายขึ้น เจ้าด่วนจากพวกเราไปอย่างกระทันหันเลยคืนดูท่าทีว่ามันต้องการจะแยกจากไปโดยเร็วแม้ว่าพวกเราจะยังยืนอยู่ตรงนี้เชฐากล่าวขึ้นเป็นประโยคแรกพยายามปรับความรู้สึกลงเป็นปกติค่ะด่วนต้องการให้เรารุดหน้าต่อไปค่ะถ้าเขายังรีรออยู่ที่นี่อีกพวกเราก็อาจจะยังตัดใจคืบหน้าต่อไปไม่ได้ แล้วก็คงจะต้องเสียเวลาพักอยู่ตรงนี้กับเขาอีกทั้งวันขณะนี้มันยังมีเวลาเหลืออยู่อีกมากก่อนค่ำที่เราควรจะทำระยะทางได้อีกนะคะดารินบอกมาอย่างสงบบัตหนิหล่อนปรับจิตใจได้แล้วใช้หลังมือป้ายเช็ดน้ำตาจนแห้งสนิทและวางสีหน้าให้เป็นปกติเหมือนเดิมจนอนุชาและชยันหันมาจ้องอย่างแทบไม่เชื่อ กําลังใจดีมากนี่น้อยที่ตัดใจได้อย่างเงี้ยนี่พี่นึกว่าน้อยจะร้องไห้โฮตอนที่เจ้าด้วนลาจากแล้วเราก็คงต้องโอเอะกันอยู่ที่นี่อีกนานซะอีกน้อยรู้ตัวมานล่วงหน้าแล้วล่ะคะ่ะว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องแยกทางกันด้วนเพราะไงไๆเขาก็ไม่สามารถตามเราไปได้ตลอดหรอกแล้วเพื่อเป็นการสงวนชีวิตของเขาไว้ เขาก็ควรจะกลับไปอยู่ป่าเดิมของเขาเอาไว้ค่อยพบกันใหม่หากว่าเรารอดตายกลับออกมาขณะนี้เราเหยียบล่วงเข้าแดนสนทิยาได้นะคะต่อไปนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของพี่กลางกับลุงอินแล้วกันจเจ้ายังไงต่อไปก็ตัดสินใจได้แล้วแต่น้อยมีความเห็นว่าเราไม่ควรจะพักหยุดกันอยู่ตรงนี้ก่อนอย่างน้อยก็เดินลึกเข้าไปอีกสักนิดก็ยังดีเวลาก็ยังพอมีเหลือ โดยข้อเสนอของดารินทําให้กลุ่มของพวกพี่ชายและครูพรานผู้เฒ่าหันเข้าอย่างเสียงหารือกันเบาๆทุกคนมีความเห็นพ้องกันหล่อนในการที่จะใช้เวลาช่วงสุดท้ายของวันอันเหลืออยู่ประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อเดินทางรุดหน้าต่อไปมันมีปัญหาที่จะต้องปรึกษากันอีกก็อย่างเดียวเท่านั้นคือตลอดทั้งวันนี้ทุกคนผ่านเวลาอาหารกลางวันกันมามื้อนึง โดยไม่ได้หยุดพักรับประทานกันเลยแล้วก็เลยเวลาอาหารกลางวันมามากแล้วอ่ะนี่มีใครหิวบ้างหรือยังเนี่ยเชษฐาเอ่ยถามขึ้นทางพวกเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะไอ้อดกลางวันสักมือ้อแล้วก็ไปกินรวมกับอาหารข้าตอนหยุดพักเลยมันก็ได้สำคัญก็พวกลูกหาบเท่านั้นแหละอนุชาพูดขึ้นภายหลังจ้องหน้าดารินและชัยยัน ซึ่งก็เห็นยืนกันอยู่เฉยๆไม่ได้แสดงอาการอ่อนเปรียบเรีแแรงยิ้วโหวยใดๆทั้งสิน้นเมื่อนั้นนั้ น, น, นอินจึงพละไปสอบถามอย่างความรู้สึกของบรรดาพวกลูกหาบจำนวนห้าคู่สิบคนเหล่านั้นพร้อมกับขยิมอึดใจเดียวก็เดินกลับมายังฝ่ายเจ้านายไม่ต้องห่วงรอกไงใหญ่ไอ้พวกนั้นบอกว่าไปรวมกับอาหารเย็นวันนี้ก็ได้ถ้าพวกเจ้านายต้องการจะเดินต่อ พวกมันก็ไปกันได้อย่างสบายมันกลับเป็นห่วงพวกเจ้านายซะอีกกว่าคงจะหิวแต่ถ้าจะไม่เสียเวลาหยุดพักกินกันพวกมันก็พร้อมที่จะเดินต่อเจ้าพวกนี้มันอดทนมากอย่าว่าแต่แค่นี้เลยอดทั้งวันก็ยังไหวขอให้มีน้ำกล้วคอมั่งเท่านั้นก็พอแล้วแหละเจ้านายเพื่อแน่ใจและด้วยความเป็นห่วงอดีท่านทูตทหารบกขวหนาคณะ เรียกบรรดาพวกลูกหาบเข้ามาชุมนุมแวดล้อมโดยใกล้และประกาศดังๆด้วยน้ำเสียงแสดงความปราณีไปยังบุคคลเหล่านั้นอ่ะนี่ถ้าใครรู้สึกหิวจนเดินไม่ไหวนะบอกมาตามตรงเราจะได้พักกินอาหารกันตรงนี้แต่ถ้ายังพอจะเดินไหวเราก็จะเดินต่อไปอีกสักสองชั่วโมงแล้วก็จะพักกันเลยเจ้าด้วนก็แสดงอาการให้เราเห็นว่ามันต้องการให้พวกเราออกเดินทางต่อ โดยเคลื่อนจากที่นี่ซะโดยเร็วไม่งั้นมันก็คงไม่รีบแยกจากเราไปหรอกโอ้ยสบายมากเจ้านายผู้ที่ตอบมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคือนายชวนหัวหน้าลูกหาถ้าพวกเจ้านายต้องการเดินต่อพวกผมก็ไปกันได้ไเรื่องอาหารกลางวันไม่ต้องพูดถึงหรอกพวกผมมันลูกปลาเคยอดข้าวอดน้ำกันมาเป็นวันๆก็ยังทนกันได้ถ้าพวกเจ้านายต้องการเร่งออกเดิน เราก็อย่าไปเสียเวลาหยุดเลยไว้ค่อยไปหยุดเอาเวลาหาที่พักสำหรับกลางคืนนี่ก็แล้วกันเชษ่าระบายลมหายใจลึกพยักหน้าลงอย่างพอใจในการสังเกตของเขาพบว่าพวกลูกหาแต่ละคนยังมีกำลังวังชาเพียบพร้อมและท่าทีก็ไม่ได้สอเห็นว่ามีความสะทกสะเทือนหรืออยย่อท้อถอยกับเส้นทางอันจะบุกบันต่อไปข้างหน้าเลยสมและ กับที่พวกนี้เป็นพวกลูกหนองน้ําแหง้งและเป็นคนของรพิน์ไพรวันทั้งนั้นอ้าวถ้าเช่นนั้นเราจะออกเดินต่อนะขอให้ทุกคนมั่นใจว่าแม้เจ้าด้วนจะจากเราไปแล้วโดยไม่อาจที่จะไปพร้อมกับพวกเราได้แต่ลุงอินและพราชดก็จะนําพวกเราไปได้เพราะพอจะจําเส้นทางได้แล้วเป้าหมายที่เราจะบายหน้ามุ่งไปเป็นอันดับแรกหลังจากนี้ก็คือ ภูเขานิ่ลักการแล้วหลังจากนั้นจึงจะจับเส้นทางมุ่งเทือกพระศิวะต่อไปอ่ะใครมีอะไรสงสัยถามได้เลยเราจะไปด้วยกันอย่างฉันเพื่อนร่วมตายไม่ใช่อย่างข้ากระทาดหรืออย่างนายกระเบาทุกชีวิตของพวกเราจะผนึกรวมกันข้ามาเป็นชีวิตเดียวเหมือนอย่างที่เราได้ผ่านพจน์กันมาแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราคนใดคนหนึ่ง มีข้อสงสัยอย่างใดก็ไม่ต้องลังเลที่จะซักถามเพื่อเกิดความเข้าใจเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังกันทั้งนั้นเสียงของเชิฐถาคังวานก้องไปในบรรดาพวกลูกหาบเหล่านั้นซึ่งทุกคนก็ให้ความเคารพนับถือเขาอย่างเต็มเปี่ยมคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกกะเกณฑ์มาเพราะหวังเงินตอบแทนอย่างสูงแต่ทุกคนอาสาสมัครใจตามมาด้วย พรจุดประสงค์ที่จะไปติดตามตัวหัวหน้าหมู่บ้านที่พวกเขาเคารพรักราวกับบิดานั่นก็คือพรานใหญ่รพินไพรวันนั่นเองนายใหญ่อย่าได้กังวลใจเลยว่าพวกเราจะคลาดกลัวท้อถอยพวกเจ้านายไปถึงไหนพวกเราก็จะไปถึงนั่นเพื่อตามตัวนายรพินกลับมาให้ได้ ในช่วงเก่าในานามตัวแทนของพวกลูกหาบบ้านหนองน้ำแห้งทุกคนแต่พวกของนายใหญ่มีความแน่ใจเรอว่านายราพินกับฝรั่งพวกนั้นจะมุ่งไปที่เทือกพระศิวะน่ะใช่ใช่พวกเราแน่ใจอย่างนั้นสุภาพบุรุษในราชสกุลประกาศนักแน่นไปยังบรรดาลูกหาบทุกคนที่ห้อมล้อมเขาอยู่ แลวลุงอินก็แน่ใจเช่นนั้นเหมือนกันเราเชื่อว่าจะยังไงซะเครื่องบินของฝรั่งที่มาจ้างให้นายรพินออกไปตามค้นหาซากลำนั้นน่ะจะต้องตกอยู่ในดินแดนหลังเทือกขุนเขาพระศิวะพวกเขาค้นหากันทางอากาศแล้วไม่พบจึงมาจ้างนายรพินให้นำออกเดินสำรวจหาถ้าเครื่องบินลำนั้นไปตกในเขตแดนอื่นพวกฝรั่งก็ต้องค้นพบเองแล้วสิ ไม่จำเป็นจะต้องมาให้นายรพินนําทางหรอกแต่ถ้ามันตกในขุนเขาพระสิวะสิ่งอลี้ลับจะบังตาพวกฝรั่งไว้และนายรพินก็ต้องรู้เมื่อรู้การจะตามซากเครื่องให้พบเขาก็จะต้องนําพวกนั้นไปที่นั่นตั้งแต่พวกเราได้ออกติดตามรอยของฝ่ายเขามาเราก็ไม่พบวีแววของเครื่องบินตกเลยแล้วเราก็ไม่สามารถจะตามเขาได้ทัน ในระหว่างทางจึงต้องมุ่งไปดักเขาที่จุดหมายปลายทางที่เราแน่ใจว่าเขาจะต้องมุ่งไปที่นั่นคําตอบว่าเขาจะไปที่จุดหมายปลายทางตรงกับที่เราอ่านใจไว้หรือไม่นั้นมันจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้วเท่านั้นแหละพวกลูกหับซุบซิบพูดกันอยู่ครู่นั้น หนึ่งในจำนวนของลูกหาบที่อยู่ใน ไ, อไวอาวุโสก็ถามขึ้นมาบ้างว่าในายใหญ่แล้วถ้าไปถึงเทือกพระศิวะแล้วเรายังไม่พบฝ่ายของนายราพินีกะเราจะทำยังไงกันดีอะเรื่องนี้ฉันขอตอบแทนทุกคนเองเสียงของดารินดังชัดเจนแทรกขึ้นก่อนที่เชษฐาจะเอ่ยตอบเช่นไร ทุกคนของพวกลูกหาเปลี่ยนสายตามาจับอยู่ที่หลอนเป็นตาเดียวกันถ้าถึงเถื่พระศิวะแล้วและได้ฆ่าไปถึงมอรากฎนครของแงซร า, ายแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะพบเจ้านายของพวกเธอทุกคนมันก็แปลว่าพวกเราหมดหวังที่จะตามพรานใหญ่ระพินได้พบแล้วก็คงไม่พบอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไหนเหมื่อนั้นเราก็จะเดินทางกลับ และวพวกเธอทุกคนก็หมดภาระหน้าที่ลงเพียงแค่นี้นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจะทำความเข้าใจกับทุกคนพวกเราทุกคนเข้าใจดีแล้วนายหญิงเข้าใจดีนายชวนพยักหน้ารับทราบอย่างสงบไม่มีปฏิกิริยาท่าทีอื่นใดอีกทั้งสิน้นนอกจากเอาไหนเอากันโดยปราศจากเงื่อนไขเหมือนเช่นที่เป็นข้อตกลงไว้ก่อนแล้ว เมื่อก่อนจะออกเดินทางจากหนองน้ำแห้งมาโดยใจสมัครใครยังมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมก็ถามใช่หมดเดี๋ยวนี้เลยในายใหญ่ตามความคิดของพวกเจ้านายอ่ะนายรพินจะผ่านภูเขานี้ลการไหมหรือเราจะมีทางพบเขาที่นั่นก่อนหน้าที่จะมุ่งเข้าสู่เทือกพระศิวะไหม อีกคนหนึ่งซึ่งมีแววฉลาดพอตัวเอ่ยถามขึ้นมาบ้างดารินกล่อมกลืนอะไรบางสิ่งบางอย่างลงสู่สวงอกฝืนยิ้มให้ไม่มีใครบอกได้หรอกเราอาจจะโชคดีพบเขาที่ภูเขานินลการหรืออาจจะไม่พบวี่แววของเขาที่นั่นเลยก็ได้รบพินในชำนาญทางกว่าพวกเรามากเขาอาจจะมุ่งเทือกพระศิวะเลย โดยไม่ผ่านภูเขานิลาการก็ได้เมื่อเราไปถึงที่นั่นเราจะรู้ข่าวเองว่าเขาได้ผ่านไปก่อนหน้าเรากี่วันแล้วหรือไม่ผ่านเลยเจ้าผู้ครองนะครลิงที่ภูเขานิลาการคือวายานะเป็นมิตรกับเราเขาคงจะให้ความกระจ่างกับเราได้บ้างแต่ขณะนี้เรายังคาดการอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นตราบใดที่เรายังไม่ได้พบเขา เรามีความจําเป็นที่จะต้องมุ่งหน้าไปยังภูเขานิลการก่อนนอกจากเพื่อสืบข่าวจากวายาแล้วเราก็จะได้ใช้ภูเขานิลการเป็นจุดเริ่มต้นตั้งเข็มเข้าเทือกพระศิวะต่อไปถ้าไม่ผ่านภูเขานิลการเราอาจจะเข้าเทือกพระศิวะไม่ถูกระยะทางจากที่นี่ไปยังภูเขานิลการพรานชดกะลุงอินเขากะไว้ว่าไม่ควรจะเกินเจ็ดวัน หรืออาจจะเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นก็ได้สุดแล้วแต่จะคลาเข้าสู่เส้นทางได้ถูกต้องเพียงใดทุกคนฟังอย่างสงบในการอธิบายอย่างเปิดใจของดารินแล้วก็พากันนิ่งอยู่นั้นอิงยิงขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นหินประกาศออกมาดังๆว่าพวกเองได้ยินนายหญิงบอกให้ฟังอย่างละเอียดหมดแล้ว ว่าเรามีเส้นทางเดินยังไงบ้างต่อไปนี้พวกเองฟังข้านะเส้นทางที่เราจะเดินก้าวไปข้างหน้าต่อจากนี้ไปมันอาจง่ายหรือมันอาจจะยากลำบากสุดแต่เทวดาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าไพรจะพรานีเราแค่ไหนมันเป็นป่าที่พวกเองไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตและจะไม่ได้พบเลยถ้าไม่ใช่ เพราะมากับข้าและพรานชุดและแม้ว่าได้พบแล้วก็อย่าหวังว่าพวกเองจะหวนกลับมาพบมันได้อีกหากกลับออกไปได้แล้วสิ่งที่พวกเองหรือพวกเราทั้งหมดจะพบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสัตว์จะมีรูปร่างแปลกไปกว่าที่เคยพบมาแล้ว เราจะพยายามหลีกหลบสัตว์ที่มันใหญ่โตเกินขนาดพยายามหลบภัยที่จะมาถึงทุกชนิดโดยมุ่งหวังไปถึงจุดหมายอย่างเดียวใครผิดแปลกออกไปอย่าตกใจขุมสเปยไว้ให้ดีแล้วคอยฟังคำสั่งของข้ากนัยชดอยู่รวมกันเป็นหมู่อย่าชะล่าใจแตกพวกออกไป แม้จะเห็นว่าเป็นระยะใกล้ๆและสิ่งสำคัญที่ข้าจะขอสั่งกาชับไว้ก่อนก็คือถ้าพวกเองเห็นลิงใหญ่ใหญ่มากมีขนสีดำกับสีเทาเวลายืนสองขาแล้วสูงกว่าคนไม่ว่ามันจะแสดงท่าหลอกหลอ น, น่ากลัวยังไงไม่ว่ามันจะเข้ามาใกล้ยอย่าได้ยิงเป็ น, นขาด มันคือไพร่พลลิงของวายาแห่งภูเขานินลาการมันคือมิตรของพวกเราทุกคนถ้าเห็นลิงพวกนั้นเมื่อไรก็แปลว่าเราใกล้ภูเขานินลากาลเข้าไปแล้วลิงพวกนั้นมันจะเดินอยู่ตามพื้นดินหรือตามแก่งแง่โคดหินมากกว่าที่จะอยู่บนต้นไม้อาจจะพบแค่ตัวเดียว หรืออาจจะโผล่ออกมาทั้งฝูงเรี่ยวแรงของมั น, นมากมายมหาศาลนะักพอจะฉีกแขนขาพวกเองให้หลุดออกจากกันได้เหมือนกับดึงแขนขาตุ๊กตาตัวเล็กๆแต่จำไว้จำไว้มันจะไม่ทำอะไรพวกเราเลยถ้าไม่ไปยิงมันเข้าก่อนมันรู้เท่าเท่ากับคน หรือฉลาดกว่าคนปา่าคนดอยบางเผ่าซะอีกเพียงแค่มันไม่ได้พูดภาษาคนเท่านั้นบอกสิ้นกระแสะความและไม่มีการทบทวนซักซ้อมใดๆอีกให้เสียเวลานั้นอินก็บกมือเป็นสัญญาณกับอดีตพรานชดและตัวแกเองก็ออกเดินนำหน้าดุมดุมนำตัดไปตามแนวป่าหินอันอุดมด้วยพื้นกรวดและทราย เหล่านั้นไปในทันทีขบวนทั้งหมดก็เริ่มเคลื่อนที่ตามนันอินและพรานชดผู้นําไปเบื้องหน้าเหมือนทั้งสองจะกําหนดทิศทางกันไว้ก่อนแล้วคงมีก็แต่เพียงดารินคนเดียวเท่านั้นที่มีอาการครั้งแรกว่าจะเดินร่วมพร้อมๆไปกับพวกลูกหาดแต่พอทุกคนพลอยหลังไปหล่อนก็หยุดยืนอยู่กับที่เก่าหันหน้า ไปยังทิศทางที่เจ้าด้วนพระจะลับหายไปดวงจิตตกอยู่ในภาวะกรรมสดุดเศร้าห่วงหาอะไรอีกครั้งดารินถามตัวเองว่าถ้าคณะทั้งหมดหยุดพักแรมกันหยุดตรงตำแหน่งนี้เจ้าด้วนจะยังคงอยู่ด้วยหรือไม่หรือว่ามันจะละทอดทิ้งหล่อนไปเลยแบบลาจาก ชนิดไม่โผล่เงาออกมาให้เห็นอีกจนกระทั่งแววเสียงของเชษฐาจากลำโพงวิทยุรับส่งซึ่งเนบเอวดังแผ่วต่ำปลุกาวังขึ้นว่าเอาน้อยอย่ า, ายืนอะไลอาวร อ, อยู่ตรงนั้นสิเจ้าด้วนนะต้องการให้เธอเดินต่อนะและขณะนี้รบพินก็กำลังรอคอยเธออยู่ ยังหนุนทางข้างหน้าก็นั่นเลดารินจึงถอนใจลึกแล้วตัดใจหันหลังกลับออกเดินสาวรอยเท้าของพักพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเห็นอยู่เป็นเทือกชัดเจนบนพื้นทรายแล้วก็เห็นพี่ชายใหญ่ยืนรอคอยอยู่ยังมูหินริมต้นโปรงขนาดใหญ่ส่วนพักพวกทุกคน เลี้ยวลับหมู่หินไปแล้วเมื่อหล่อนเดินเข้ามาถึงตรงตำแหน่งที่เชษฐาหยุดรอคอยจับมองอยู่นั้นพี่ชายใหญ่ก็โอบแขนประคองไหลไว้พาเดินรังท้ายไปด้วยกันพี่ใหญ่คะน้อยเป็นห่วงด้วยนะต่อไปนี้เขาก็โดดเดี่ยวตามลำพังแล้วเหมือนกันหล่อนกระซิบรำพึง ขณะเดินไปกระเชิดถาน้อยพิคิดว่าไม่มีอะไรจะต้องห่วงเจ้าด้วนหรอกนะเพราะเขาก็เป็นเจ้าป่าอยู่มีอำนาจมีความฉลาดอยู่ในตัวเกินช้างป่าทั่ ว, วไปถ้าหมดริกเดดของมันไรเสอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรมาทำอันตรายเจ้าด้วนได้อีกแล้วตรงข้ามถ้าเขาขืนติดตามเรามาด้วยเขาก็คงเอาชีวิตไม่รอด และทาให้เราต้องห่วงหน้าพาะวงหลังเข้าไปอีกป่านี่นะมันมีอยู่สองเขตอย่างที่น้อยเคยบอกไว้คือเขตนอกอันเป็นป่าตามภูมิศาสตร์โลกกับเขตในอันเป็นป่าในแดนสนทยาเจ้าด้วนะเป็นสัตว์ป่านอกเขาเข้าไปยังป่าแดนสนทยากับเราไม่ได้หรอกแล้วสัตว์ของป่าเขตในก็จะไม่พบในป่าเขตนอกเหมือนกัน และเชิฐาก็สะกิดไหลหล่อนกระซิบพร้อมกระ บ, บุ้ยปากนั่นไงสัตว์ของป่าเขตในหวังว่าน้อยคงจำได้นะนิ่ตัวอย่างเบาเบาเท่านั้นดารินหันมามองตามที่พี่ชายทำความหมายชีย้บอกลักษณะของแมลงปอปีกและลำตัวสีแสดงามตาแต่ไม่น่าไว้วางใจตัวหนึ่ง ก็อย่างสงบเงียบโดยบางมุมอยู่บนยอดโปร่งสูงชะลูดต้นหนึ่งอันไปแพรกิ่งใบสาขาอยู่ตรงปลายยอดที่ไม่น่าไว้วางใจก็เพราะแทนที่มันจะมีลำตัวยาวเพียงแค่หนึ่งฟุตอย่างที่เห็นเห็นกันขณะบินผ่านหน้าผาน้ำตกสามเจดีเจ้าตัวนี้นะ่ะยาวถึงสองเมตรมีลำตัวขนาดเท่าน่องเคือเค่องของผู้ชาย เชื่อว่าคณะพักที่เดินล่วงหน้ากันไปก่อนคงยังไม่ทันสังเกตเห็นเพราะสีสันของมันนะกลืนสนิทอยู่กับความฉูดฉาดของพวกไม้เครือเถาและกาฝากที่เกาะพันอยู่กับลำต้นปรงนั่นถ้าหากว่ามันจะบินลงมาโฉบเฉี่ยวคนใดคนหนึ่งในคณะตามนิสัยความเป็นนักล่าของมันก็น่าจะทำความลำบากใจให้บ้างพอสมควรเหมือนกันแต่มันยังเกาะนิ่ง กลางปีกเหมือนทอด้วยแพรผืนเรืองเฉยอยู่คงมีก็แต่ดวงตาโปนราวกับลูกแก้วเขืองขนาดกำปั้นบนสีสะเท่านั้นที่ขยับกลอกกลิ่งอยู่ไปมาข้นปุยเป็นหนามตามลำตัวมีลักษณะแหลมมองเห็นได้ถนัดเมื่อดารินใช้กล้องซองอันเนื่องมาจากไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกิ่งไม้หรือตัวมแมลงปอกกันแน่ ขณะที่เช็ถามชี้บุยให้ดูเขาก็ดึงปืนสั้นจุดสี่สี่แมกนัมออกมาถือไว้ในมือปลดโม่ออกขยับหมุนเอาช่องรังเพลิงที่บรรจุกระสุนเม็ดลูกปลายไว้เพื่อให้ตรงกระช่องที่เข็มแทงชนวนจะสับลงมาดารินก็จับข้อมือพี่ชายไว้อย่าครับพี่ใหญ่อย่าไปทำอะไรมันก็เราสัญญากันไว้แล้วไงว่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์ทุกชนิดอีกต่อไปลว ยกเว้นเพื่อป้องกันชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นเชษฐายิ้มบาวพี่ก็ไม่ได้คิดจะไปเบียดเบียนมันก่อนนอกน้อยเพียงแค่เตรียมพร้อมไว้อย่างไม่ประมาทเท่านั้นแหละถ้ามันฉุดลงมาโดยนึกว่าเราเป็นสัตว์ประเภทเหยือ่อหรือจะโดยนิสัยดุร้ายของมันก็ตามก็จะได้ป้องกันตัวได้ทันเขี้ยวของมันก็พอที่จะทาอันตรายสาหัสกับเราได้นาน้อย คงไม่หรอค่ะพี่ใหญ่น้อยแผ่เมตตาจิตให้กับเขาแล้วก็ดีแต่ก็ไม่ควรจะประมาทหรอกน้อยเราควรจะมีวิธีแผ่เมตตาหลายๆวิธีหน่อยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยถ้าแผ่เมตตาด้วยกุศลจิตแล้วมันรับได้ก็ดีไปแต่ถ้ามันยังไม่รับเราก็ต้องแผ่มันด้วยลูกปืนน่ะมันอาจไม่ทําอะไรน้อย เพราะพี่ก็เห็นฝีมือในด้านการแผ่เมตตาของน้อยแล้วแต่มันอาจจะเล่นงานคนอื่นๆก็ได้นะขาดเสียงปนหัวเราะของเชษฐาแมาลงป่อยักษ์ตัวนั้นก็บิดพระบินจากยอดโรงโฉบชวัดเฉวียนไปตามยอดหินสูงๆต่ำๆที่สองพี่น้องเดินรังทายอยู่ในลักษณะธรรมชาตินิสัยของสัตว์ปีกประเภทมลงป่อทั่วๆไปแล้วก็ไปทากิริยาอาการ โฉบลงใช้ส่วนล่างของลำตัวตีกระทบกระยอดหินยอดหนึ่งอยู่ซ้ำๆปรากฏเสียงดังพึบพึบพึบเป็นจังหวะเมื่อหางของมันสัมผัสเฉียดและอยู่ในทิศทางเบื้องหน้าของเชิฐาดารีไม่ห่างออกไปนะักจนทำให้ทั้งสองต้องหยุดชะงักการเดินลงชั่วขณะแล้วก็หายใจออกมาโล่งอก เมื่อมันพละจากยอดหินก้อนนั้นบินสูงสูงต่ำต่ ำ, ตำอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วลับหายไปในระหว่างยอดปรงแล้วยอดหินหลากหลากสีด้านหน้าทิศทางเดียวกับที่รอยเท้าของพรรคพวกย่ำเป็นทางล่วงหน้าไปก่อนแล้ว